หลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงสระละราชสมบัติและออกบาเพ็ญอยู่ประมาณหกปีพระ อ, องค์ก็ได้ทรงพบความสุขที่ถาวรที่ยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าปรมมสุขคือความสุขของพระนิพพานนิบานังปรมังสุขขัง พระ อ, องค์ก็มีแต่ความสุขภายในพระทัยของพระ อ, องค์ตลอดเวลาถึงแม้ว่าพระบรรกายจะอดอยากขาดแคลนจะอยู่แบบขอทานก็ตานแต่ความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายนั้นไม่มีพลังที่จะเข้ามาลบล้างความสุขที่ได้จาก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 ถึงแม้ว่าจะผ่านการเวลามาถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามแต่ความจริงของคำสอนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้หายไปผู้ใดน้อมแนวเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบาเพ็ญมาปฏิบัติก็จะได้พบกับความสุขแบบเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้า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 เป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมรรผลนิพพานนี้จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับเวลาว่าจำเป็นจะต้องบําเพ็ญในสมัยพุทธกาลเท่านั้นถึงจะสามารถบรรลุ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 สร้างความสุขทางใจได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณากันพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราละลึกถึงเทวทูตอยู่เรื่อยๆให้เรา ล, ลึกถึงความแก่อยู่เรื่อยๆให้ล้ำลึกถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยๆให้ล้ำลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าเป็นสิ่งที่กำลังคลืบคพลานเข้ามาหาเรา ใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะเรายังประมาทนอนใจหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่หรอือเราไม่รีบหาความสุขทางจิตใจกันหรอือถ้าเป็นเรือก็คือเรือที่เราอยู่นี่มันกำลังจะจมเราไม่เปลี่ยนเรือหรอือมีเรือที่เราสามารถเปลี่ยนได้ตอนนี้เราไม่เปลี่ยนกัน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 เพราะสติจะเป็นเครื่องมือที่จะกากับใจให้เข้าสู่ความสงบนั่นเองใจเป็นเหมือนเชือกที่เวลาเราอยากจะจับลิงเข้ากรงลากลิงเข้ากรงเราก็ต้องเอาเชือกนี้ไปคล้องคอลิงถ้ามีเชือกแล้วเราก็สามารถดึงเอาเชือกนี้ไปผูกคอลิงแล้วก็ลากตัวลิงให้เข้าไปในกรงได้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 อุบายด้วยกันสิบวิธีด้วยกันที่จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสนุกได้อนุสติก็คือให้เราลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็พยายามให้เราลึกอยู่กับสิ่งนั้นไปเรื่อยๆตลอดเวลาเช่นพุทธานุสติก็ให้ลำลึกถึงพระพุทธเจ้าจะลำลึกถึงพระพุทธคุณก็ได้เช่นการเจริญบทพระพุทธคุณ อิติปิโสไปไปในใจเพื่อที่จะกาจัดความคิดฟุง้งแฟงต่างต่างเพื่อที่ใจจะได้ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ถ้ามีการเจริญ พ, พระพุทธคุณอยู่เรื่อยๆืตั้งแต่ตื่นจนหลับหรือถ้าจะลำาลึกถึงพระนามของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวก็ได้ ก็คือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่างนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าธรรมานุสติก็ระลึกถึงานามของพระธรรมคำสอนก็คือธรรมโมธรรมโมไปหรือจะนำลึกถึงพระธรรมคุณก็ได้สวากขาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิตโกอาการิโกเอหิปัสสิโก ก็ให้ท่องไปภายในใจเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือจะใช้สังขานุตสติก็ได้ให้ลำนึกถึงพระสังฆคุณเช่นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนหรือจะลำนึกถึงชื่อของพระสงฆ์พระสง์ก็ได้คือสังโคสังโคไป หรือจะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกันไปก็ได้พุทธโธธัมโมสังโฆอันนี้เป็นอุบายที่จะดึงใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าใจมีอะไรยึดเหนี่ยวไว้ใจก็จะไม่ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆลอยไปตามความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าใจไม่ลอยไปลอยมาใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน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 ถ้าสวดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกใจเบาใจสบายใจไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นอั่างนี้จะหยุดสวดแล้วหันมาดูลมหายใจเข้าออกต่อไปก็ได้หรือจะสวดไปเรื่อยๆก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วไม่ช้าก็เร็วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นเอกคกะตารมเป็นอุเบกขาเป็นสุขอย่างมาก เป็นสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่คือการสร้างสติขึ้นมาเพื่อสร้างความสุขทางใจที่เรียกว่านัตติสันติบาลังสุขขงังความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายถ้าได้พบกับความสุขอันนี้แล้ว ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่มีความหมายต่อจิตใจนั้นจะไม่อยากจะได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปเพราะความสุขนั้นมันต่างกันมากเหมือนฟ้ากับดินนั่นเองเอเมือเหมือนเพชรกับก้อนหินถ้ามีเพชรแล้วก็จะไม่สนใจกับก้อนหินเอ เพราะคุณค่าราคามันต่างกันมากฉะนด้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็เหนือความสุขทางหลายทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพอได้พบกับความสุขอันนี้แล้วก็อยากจะให้ความสุขอันนี้แผ่กว้างไปเรื่อยๆเพราะความสุขที่ได้จากสมาธิในเบื้องต้นนี้จะอยู่ชั่วขณะ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 ก็อยากจะขยับขึ้นสู่การปฏิบัติที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสนาเพราะการปฏิบัติขั้นปัญญาหรือขั้นวิปัสนานี้จะรักษาความสุขที่ได้จากสมาธิให้อยู่อย่างยั่งยืนถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปเพราะปัญญาจะเข้าไปทําลาย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 เป็นพระองค์แรกที่สรงค้นพบความรู้อันนี้ก่อนหน้านั้นผู้บาเพ็ญ น, นี้จะสามารถบาเพ็ญเจริญสติจนจิตรวมเข้าสู่สมาธิได้ชาญระดับต่างๆแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วก็ไม่ได้เจริญสติอย่างต่อเนื่องค ว, ความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะจางหายไป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 ก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะรักษาความสุขความสงบจากของสมาธินี้ให้อยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิท่องเลยต้องเป็นผู้ค้นคว้าศึกษาหาด้วยตนเองจนในที่สุดก็ส่งค้นพบเหตุที่มาทำลายความสุขความสงบที่ได้จากสมาธิ ก็คือตันหาความอยากต่างๆทรงสังเกตว่าเวลาออกจากสมาธิมาแล้วพอเกิดความอยากไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณความสงบสุขนั้นก็จะหายไปอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความสงบความสุขความนิ่งของใจก็จะหายไป ใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมาใจก็จะเริ่มปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาพราะองค์เจึงทรงเห็นว่าสิ่งที่มาทำลายความสงบความสุขที่ได้จากความจากสมาธินี้ก็คือตันหาความอยากทั้งสามนั่นเองคือการมตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะ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 สิ่งต่างๆที่ได้นั้นคงอยู่ต่อไปเวลาสิ่งต่างๆนั้นสูญไปก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความกังกวลกัาวยใจขึ้นมาแต่ถ้ายอมรับความจริงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มีเกิดก็ต้องมีดับมีขึ้นก็ต้องมีลงมีดีก็ต้องมีไม่ดีสลับกันไป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 ใจก็ยังจะมีความสุขเหมือนขณะที่เข้าไปในสมาธินี่คือคำระดับปัญญาการตัดสู้ทำก็ตัดสู้ตรงนี้เองตัดสู้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองความอยากสามชนิดคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาและการที่จะทำให้ใจ นั้นกลับเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องละความอยากทั้งสามนี้และธรรมที่จะมาละความอยากทั้งสามนี้ได้ก็คือปัญญาคือการเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีตัวไม่มีตนว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งาม ว่าอาหารการกินต่างๆที่เราหลงหลายข้างใครนี้มันสกรปรกเป็นปฏิกูลเวลาเข้าไปในปากแล้วนี่บอไปเค้ยวผสมกับน้ําลายนี้แล้วถ้าคายออกมานี้ก็ไม่อยากจะตักเข้าไปในปากเองนี่คือวิธีการของการใช้ปัญญามาละลายมาสลายความอยากที่มีอยู่ภายในใจ เห็นสิ่งที่อยากได้ว่าจะต้องเสื่อมไปหมดไปก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทมําไมได้มาแล้วก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปก็จะเสียอกเสียใจชั่ไม่มีไม่ดีกว่าเลยเมื่อไม่มีก็ต้องก็จะได้ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจเช่นถ้าได้ลูกมาแล้วจะต้องเสียลูกไปภายในระยะเวลาอัานใกล้เกิดมาได้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 เป็นร่างกายแบบไหนจะสมบูรณ์สมประกอบหรือจะเป็นพิกลพิการ้วเม่อเกิดมาแล้วจะอยู่ไปยาวนานหรือไม่เกิดมาแล้วอาจจะตายไปเพียงในเวลาไม่กี่วันก็ได้นี่คือการคิดทางอนิจจงคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอออการเสื่อมการดับของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มา ถ้าคิดอย่างนี้แล้วความอยากได้สิ่งต่างๆมันก็จะหายไปพรความอยากหายไปความสงบก็จะกลับคืนมาความสุขใจที่ได้จากความสงบก็จะกลับคืนมาแล้วถ้าสามารถทําลายความอยากที่ผูกขึ้นมาทุกครั้งได้ต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจที่จะมาทําลายความสุขความสงบที่ได้จาก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 ได้ร่างกายมาเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะยะยังมีอยู่ภายในใจมันก็จะดันใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายมาทุกข์กับการดูแลรักษาร่างกายมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับความอยากต่างๆที่ใจไปส่งเสริม ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราทำตามความอยากนี้ความอยากจะมีต่อไปจะมีเพิ่มมากขึ้นไปวิธีที่จะกาจัดความอยากก็คือต้องไม่ทำตามความอยากเหมือนกับน้ำมันในรถวิธีที่จะทำให้น้ำมันมันหมดก็คืออยากไปเติมน้ำมันถ้าไม่เติมน้ำมันแล้ววิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะหมดหมดแล้วมันก็จะวิ่งไปไม่ได้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 เมือ่อมาก็ต้องมาทาบุญกันทาบุญกันใครเป็นคนได้รับประโยชน์ก็พวกทวดพวกที่ดูแลวัดวานั่นแหละที่จะได้รับประโยชน์จึง <van> <t> มีการถกเถียงกันเวลาตายไปบางทีครูบาอาจารย์ถึงต้องสั่งไว้ก่อนว่าตายแล้วต้องเก็บอยากเก็บไนนนะ 3, ว้นานสามวันเจ็ดวันให้เผาเลยถ้าไม่ฉะนนั้ น, นแล้วบางทีก็ไม่ยอมเผากันเก็บไว้กันเป็นปี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 อีกต่อไปตอนนี้เปิดไมค์จะตอบให้อย่างเต็มที่พอปิดไมค์แล้วก็จบถ้าอยากจะถามก็ต้องรอให้เปิดไมค์ในอาทิตย์หน้าก่อนอันนี้ไม่เรียกว่าเล่นตัวเลยคือมันต้องมีกฎกติกามีกรอบมีเวลาไม่งั้นตาย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 ยากการได้ยินได้ฟังสนับสนุนด้วยการภาวนาคือสมถะภาวนาคือจใจจะต้องมีอุเบกขามีความสงบถึงจะสามารถละความอยากได้อย่างเต็มที่ถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเห็นไตรลักเรารู้ไตรลักเราเห็นอสุภะแต่พอถึงเวลาจะดับตันหาความอยากเราไม่มีกําลังก็แสดงว่าเราขาด สมัทธภาวนาเราต้องทำสมัทธภาวนาทำจิตให้รวมเป็นเอกัคคตารมสัตว์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาถ้าเรามีใจที่สงบมั่นคงเราก็จะพอปัญญาบอกให้ละความอยากตัวนี้เราก็จะละได้อย่าง เ, าเต็มที่ถอนรากถอนโคนได้เลย ปัญญาที่ได้จากสุตตะการได้ยินได้ฟังกับปัญญาที่ค่ควรนี้ก็จะละได้ก็เป็นพักๆแต่ไม่ถึงกับถอนรากถอนโคนเวลาเรานึกถึงปัญญานึกถึงอสุภะกามารวมก็จะดับได้แต่พอเราเผอเดี๋ยวมันก็กลับโผล่ขึ้นมาได้อีกเพราะใจมันยังหิวอยู่ใจยังมีความอยากแต่ถ้าใจสงบใจรวมเป็นอย่างนี้ใจจะไม่มีความหิวความอยาก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 ถ้าอยากจะฆ่ากิเลสนี่ถือว่าเป็นความอยากที่ดีความอยากปฏิบัติธรรมอยากจะรักษาศรรีลอยากจะทําทานอยากจะนั่งสมาธิอยากจะปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าเป็นความอยากที่ดีเพราะจะมาทําลายความอยากที่ไม่ดีให้หมดไปจากใจข้อที่สอง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 สามารถมากำจัดทำลายความอยากที่คอยผลักดันใจให้ไปหาสิ่งต่างๆได้ก็จะไม่มีตัวดันให้ใจต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็จะนั่งอยู่ในความสงบทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเพราะตัวที่คอยปั่นป่วนใจนั้นได้ถูกทำลายด้วยปัญญาไปแล้วนั่นเองข้อที่สหนูมีปัญหากามราคะแต่ไม่มีคู่กรณี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 ทำให้เราอาจจะอับอายขายหน้าถ้าเราไม่สามารถรักษาสิ่งที่เราตั้งใจไว้จะรักษาได้แต่มันก็ไม่มีผลว่าจะทำให้เราบาปมากหรือบาปน้อยถ้าเราทำบาปมันก็บาปเหมือนกันจะไปขอศีลต่อหน้าพระประธานหรือไม่ก็ตามถ้าทำผิดศีลข้อนั้นมันก็บาปเท่ากันเพียงแต่ว่าการที่เราไป สมาทานต่อหน้าพระพุทธรูปหรือต่อพระภิกษุสงฆ์นี้อาจจะเป็นเหมือนกับว่าจะให้มีสักขีปยานทำให้มาทาให้เราต้องมีความระมัดระวังและมีความแน่าแน่ต่อการรักษาศีลมันเป็นอุบายที่จะบังคับให้เรารักษาศีลให้ได้ เพราะถ้าเราไม่มีสักขีสักพยานเราตั้งจิตของเราขึ้นมาเช้าเรว่าจะรักษาศีลพอเย็นเดี๋ยวหิวข้าวเย็นก็ล้มล ะ, ละเลเนลาน่าแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเรารักษาศีลหรือไม่ <c oughs> ไมีเรารู้คนเดียว <c oughs> นั่นก็คือบายวิธีการที่จะทําให้เร า, าสามารถรักษาศีลได้ข้อที่สอง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 หรือถ้าเราไม่อยากได้ผลบุญก็อย่าไปทำบุญเพราะว่าเมื่อมาทำแล้วมันก็ต้องมีผลตามมาแล้วมันจะมาแบบไหนเวลาดังนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ข้อที่สมการเห็นอสุภะที่เกิดขึ้นบ่อยๆทั้งที่มาเองในสมาธิโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นเห็นศสนอนอื่น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 ที่เราเตรียมพิจารณาอาสุภะอยู่เรื่อยๆนี่ก็เป็นเหมือนกับการเตรียมอาวุธเตรียมน้ําดับไฟเราต้องรอให้ไฟมันร้อนขึ้นมาจากกามลมกามาราคะแล้วเราเอาอาสุภะนี้มาดับมันถ้าดับมันได้ใจก็จะกลับมาเป็นปกติจะเย็นจะสบายนะดังนั้นการที่เราเห็นอสุภะนี้ไม่ได้หมายความว่าเราบรรลุหรืออะไรนะเราเพียงแต่ มีอาวุธไว้คอยต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่จะมาสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราแต่ถ้าพอข้าศึกศัตรูมาแทนที่เราจะใช้อาวุธเรากับยกทงขาวยอมมันทำตามที่มันสั่ ง, งนี่ันเห็นสุภาพแบบนั้นเห็นไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเห็นแล้วไม่เอามาใช้ทำลายข้าศึกศัตรูพอข้าศึกศัตรูมาก็ไปกับข้าศึกเลย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 ถ้าจะพิจารณานี้ไว้รอวาระที่เราเข้าสู่ระดับวิปัสสนาด้วยปัญญาแล้วค่อยพิจารณาจะดีกว่าจะได้ประโยชน์กว่าเพราะถ้ามาพิจารณาช่วงที่เราทําใจให้สงบนี้มันเป็นจะกลายเป็นนิวรณ์ไปกลายเป็นความฟุ้งซ่านใจก็จะไม่เข้าสู่ความสงบได้อย่งนั้นอย่าถูกกลนของกิเลสหลอกเราพอเราพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวพอมีอะไรปรากฏขึ้นมามันก็หลอกให้เราไปพิจารณา ให้หลอกให้เราไปคิดปรุงแต่งนั่งไปนานเท่าไรจิตก็ไม่รวมทักทีเนี่ยต้องระวังไว้ถ้าเราอยู่ในขั้นของสมาธินี้อย่าพิ่งไปพิจารณาให้อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพุทธโธหรืออสุภะหรืออะไรให้อยู่อย่างนั้นแล้วอย่าไปพิจารณาอะไรเท่านั้นให้มันรวมก่อนรวมแล้วออกมาแล้วเทนี้อยากจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาได้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 ผูกพยาบาทอาฆาตสาบแช่งแม้นบางทีอาจส่งผลให้คุณถึงขั้นชิบหายโดยยากยิ่งนักที่จะอาหสิเมื่อคุณคิดและพูดแต่ทำไม่ได้อย่าคิดอย่าพูดคือเรื่องจริงหรือว่าไม่จริงคะก็มันก็ไม่รู้อะจริงบ้างไม่จริงบ้าง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 เพีแต่เราคิดเฉยๆแล้วจะมีดวงวิญญาณมาคอยรับฟังความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาลวอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องมีเหตุเช่นเออ่เขามาเข้าฝันเราขอสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราก็ไปรับปากเขาในฝันว่าเอาเช้าพรุ่งนี้จะใส่บาตให้พอตื่นขึ้นมาขี้เกียจเตือนขี้เกียจไป <laughs> <laughs> เขารอรับเขาไม่ได้รับเขาก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาอ <laughs> หมดแล้เลยเมีใครอยากจะถามยังไงเดี๋ยวปิดใหม่นะน <c> ะ <oughs> เดี๋ยวจะหาว่าไม่เปิดโอกาสให้นะตอนนี้เปิดให้เต็มที่เลยอยากจะถามอะไรถามได้เต็มที่เลยแต่พอปิดใหม่ปั๊บมาเลย <c oughs> ถ้าอย่างงั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ